เขาพึงหวังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันหรือถ้ายังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีภายในเวลาเจปีหรือ6ปีหรือหปีหรือสี่ปีหรือสามปีหรือสองปีหรือหนึ่งปีหรือเจเดือนหรือหเดือนหรือห้าเดือนหรือสี่เดือนหรือสมเดือน